คุณสมบัติของบุคคลโสดาบันคุณสมบัติของพระโสดาบันเท่าที่รู้กันดีโดยทั่วไปก็คือการละสังโยชน์สามข้อต้นได้ได้แก่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศิลพะตปรามาตซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติฝ่ายลบหรือฝ่ายหมดไปแต่ความจริงมีคุณสมบัติฝ่ายบวก หรือฝ่ายมีด้วยและตามหลักฐานปรากฏว่าท่านเน้นคุณสมบัติฝ่ายมีเป็นอย่างมากคุณสมบัติฝ่ายมีนั้นมีหลายอย่างแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็รวมอยู่ในหลักรามสำคัญสำหรับตั้งเป็นเกณฑ์ได้ห้าอย่างคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะคือความเสียสละและปัญญา ในที่นี้จะรวบรวมคุณสมบัติต่างๆทั้งฝ่ายหมดและฝ่ายมีมาเรียงไว้โดยแสดงเฉพาะสาระสำคัญดังนี้หมายเหตุที่แสดงฝ่ายมีก่อนฝ่ายหมดอย่างนี้ทำตามนิยมของปัจจุบันย้อนกลับความนิยมของบาลีซึ่งแสดงฝ่ายหมดก่อนฝ่ายมีอย่างไรก็ตาม ตามความจริงทั้งฝ่ายหมดและฝ่ายมีสัมพันธ์กันเนื่องอยู่ด้วยกันคุณสมบัติฝ่ายมีข้อที่หนึ่งด้านศรัทธาเชื่อมีเหตุผลเชื่อมั่นในความจริงความดีงามและกฎธรรมดาแห่งเหตุและผลมั่นใจในปัญญาของมนุษย์ที่จะดับทุกข์ หรือแก้ไขปัญหาได้ตามทางเหตุแห่งผลและเชื่อในสังคมที่ดีงามของมนุษย์ซึ่งจะเจริญงอกงามขึ้นได้ตามแนวทางเช่นนั้นความเชื่อมั่นนี้แสดงออกด้วยความเลื่อมใสอันอยังลงมั่นด้วยปัญญาในพระรัตนตรัยเป็นศรัทธาซึ่งแน่วแน่มั่นคงไม่มีทางผันแปรเพราะเกิดจากญาณคือความรู้ความเข้าใจ ข้อที่สองด้านศีลมีความประพฤติทั้งกายวาจาและการเลี้ยงชีพสุจริตเป็นที่พอใจของอริยชนมีศีลที่เป็นไทยคือเป็นอิสระไม่เป็นทาตของตันหาประพฤติตรงตามหลักการตามความหมายที่แท้เพื่อความดีความงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยความขัดเกลาลดกิเลสความสงบใจ เป็นไปเพื่อสมาธิโดยทั่วไปหมายถึงศีลห้าที่ประพฤติอย่างถูกต้องจัดเป็นขั้นที่บำเพ็ญศีลได้บริบูรณ์ศีลที่เป็นไทยไม่เป็นาธาตุของตันหาคือไม่ได้ประพฤติเพื่อหวังผลตอบแทนเช่นโลกิยาสุขการเกิดในสวรรค์เป็นต้นอันหนึ่งพึงระลึกว่าศีล รวมถึงสัมมาชีพด้วยเสมอบรรดาคำบาลีแสดงลักษณะศีลของพระโสดาบันนั้นมีอยู่สองคำที่นิยมนำมาใช้เรียกในภาษาไทยคืออริยกันตศีลแปลว่าศีลที่พระอริยใคร่หรือชื่นชมคือเป็นที่ยอมรับของอริยชนและอัปรมามัตตศีลแปลว่า ศีลที่มีถูกจับฉวยท่านให้แปลว่าศีลที่มีถูกตันหาและทิฏฐิจับฉวยคือไม่เปละเปืือนหรือมีราคีด้วยตันหาและทิฏฐิในวงเล็บเท่ากับบริสุทธิ์ดังได้อธิบายแล้วในตอนว่าด้วยประเภทและระดับของผู้บรรลุนิพพานข้างตน้นอย่างไรก็ดีขอเสนอคำแปลไว้อีกอย่างหนึ่งว่าศีลที่ไม่ถูกถือมัน่น คือศีลที่ไม่ต้องยึดมั่นหมายความว่าเป็นศีลที่เกิดจากคุณธรรมภายในไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ละเมิดจึงเป็นไปเองเป็นปกติธรรมดาโดยไม่ต้องคอยยึดถือเอาไว้ข้อที่สมด้านสุตตะเป็นสุตตวาอาริยาสาวกหรืออริยาสาวก ผู้มีสุตตะคือได้เรียนรู้อริยธรรมรู้จักอริยธรรมนับว่าเป็นผู้มีการศึกษาข้อที่สด้านจาคะอยู่ครองเรือนด้วยใจที่ปราศจากความตรณีมีน้ำใจเผื่อแผ่เสียสละยินดีในการให้การเฉลี่ยเชือจานแบ่งปัน ข้อที่ห้าด้านปัญญามีปัญญาอย่างเสขะคือรู้ชัดในอริยสัจสี่มองเห็นปฏิจจสมุปบาทเข้าใจไตรลักษณ์คืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตาเป็นอย่างดีจนสลัดมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายในรูปแบบต่างๆได้สิ้นเชิงหมดความสงสัยในอริยาาสัจทั้งสนั้นเรียกตามสำนวนธรรมะว่า เป็นผู้รู้จักโลกแท้จริงข้อที่6ด้านสังคมพระโสดาบันเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับสร้างความสามัคคีและเอกภาพของหมู่ชนที่เรียกว่าสารณียธรรมได้ครบถ้วนบริบูรณ์เราะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักข้อสุดท้ายที่ท่านถือว่า เป็นดุดยอดที่ยึดคุมหลักข้ออื่นๆเข้าไว้ทั้งหมดกล่าวคือข้อว่าด้วยทิฏฐิสามัญญาตาสารณียธรรมมีหข้อคือหนึ่งเมตตากายกรรมแสดงออกทางกายด้วยเมตตาเช่นช่วยเหลือกันและแสดงกิริยาสุภาพเคารพนับถือกัน 2. เมตตาวจีกรรมแสดงออกทางวาจาด้วยเมตตาเช่นบอกแจ้งแนะนำตักเตือนด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพต่อกัน 3. เมตตามนโนกรรมคิดต่อกันด้วยเมตตาเช่นมองกันในแง่ดีคิดทำประโยชน์แก่กันยิ้มยามแจ่มจใส สสาธารณโคีแบ่งปันลาบอันชอบธรรมเฉลี่ยเจือจานให้ได้มีส่วนร่วมทั่วกัน 5. ศิละสามัญญาตามีความประพฤติสุจริตเสมอกับผู้อื่นไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่ 6. ทิดิสามัญญาตา มีความเห็นชอบร่วมกับเพื่อนร่วมหมู่ในอาริยะทิสฎดีซึ่งนำไปสู่การกําจัดทุกในข้อความที่ชี้แจงความหมายของอริยะทิสฎดีหรือทิฏฐิที่เป็นอริยะในข้อที่หนั้นมีลักษณะที่เป็นธรรมดาของพระโสดาบันซึ่งควรนำมากล่าวในที่นี้สองอย่างประการแรก เป็นธรรมดาของบุคคลโซดาบานที่ว่าเมื่อต้องอาบัดคือละเมิดวินยัยซึ่งแก้ไขได้ก็จะรีบเปิดเผยแสดงให้พระศาสดา ห, หรือเพื่อนร่วมหมู่คณะที่เป็นวินยูได้ทราบทันทีแล้สังวรต่อไปเปรียบเหมือนเด็กอ่อนแ บ, บะเบกเหยียดมือหรือเท้าไปถูกฐานไฟเข้าจะรีบชักกลับทันทีประการที่สอง เป็นธรรมดาของบุคคลโซดาบานที่ว่าทั้งที่เป็นผู้เอาใจใส่คอยขวนขวายช่วยเหลื อ, อกิจธุระทั้งหลายทั้งงานสูงงานต่ำทั้งเรื่องใหญ่เรื่องย่อยของเพื่อนร่วมหมู่คณะแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความใฝ่ใจอย่างแรงกล้าในอธิศิลสศิขาอธิจิตศิกขาและอธิปัญญาศิขาไปด้วยเหมือนแม่โคลูกอ่อนเลมหญ้ากินไป ก็คอยแล้วระวังลูกน้อยไปด้วยคือทั้งช่วยส่วนรวมทั้งคอยฝึกตนให้ก้าวต่อไปในมรรคค า, าความจริงคุณสมบัติที่เป็นส่วนพิเศษนี้เป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิซึ่งจัดเข้าในข้อปัญญานั่นเองแต่ในที่นี้เห็นว่ามีข้อความยาวจึงแยกออกมาเป็นอีกข้อหนึ่ง เรื่องเดิมพระพุทธเจ้าตรัสสำหรับพระโสดาบันที่เป็นพระภิกษุแต่ก็พึงยักใช้กับขฤรือหัดได้ข้อความของสูตรนี้ยาวมากจะไม่คัดมาลงไว้ผู้สนใจพึงดูที่มัชฌิมนิกายมูลปัญนาจเกี่ยวกับการต้องอาบัตินี้ในอังกุตระนิกายติการนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสแสดงว่าแม้แต่พระอรหัน ก็ยังต้องอาบัตเล็กๆน้อยๆได้แต่พระอริยะทั้งหลายจะไม่ต้องอาบัตที่เป็นหลักพื้นฐานของโปรมจาร์เลยและแม้สิกขาบทเล็กน้อยเหล่านั้นก็จะไม่ละเมิดด้วยความจงใจคุณสมบัติฝ่ายดีข้อที่7ดด้านความสุข เริ่มรู้จักโลกุตระสุขที่ประนีตลึกซึ้งซึ่งไม่ต้องอาศัยอามิตรเพราะได้บรรลุอริยวิมุตติแล้ว